ก็ควรจะรู้จักสิ่งที่เป็นตัวแกนตัวแกนของศาสนาอะไรคือแกนแท้หรือแกนกลางของพุทธศาสนาหลายคนก็นึกถึงคําว่าธรรมะแต่ที่จริงแล้วยังยังไม่ครบนะยังมีอีกอันนึงที่คู่กันกับธรรมะก็คือวินัยธรรมะ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 พิสูจในธรรมวินัยนี่ก็คือพิสูจน์ในพุทธศาสนานี้นั่นแหละคำ ว, ว่าธรรมวินัยนะคือตัวแท้ตัวแก่นตัวแกงของพุทธศาสน า, ามัธรรมะคือคําสอนเกี่ยวกับความจริงที่พุทธเจ้าได้สองคนพบนะก็หลงด้วความดีด้วย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 คำ ว, ว่าเรานี้ก็รวมทั้งพระทั้งโยม น, นะแต่ว่าเวลาพูดถึงวินยัยเราก็มกักจะนึกถึงพระเป็นเป็นเป็นหลักเพราะว่ามาีมีการพูดถึงวินัยของพระเยอะหน่อยนะเเราเรียกว่าสิกขาบทสองร้ข้อนี้ที่จริงคารวะก็มีนะเรียกว่าขีหิวินยัย ขี่หิวินไยนี่ก็หมายถึงวินไาณของครื่อหัสนะก็ไม่ใช่สี่ห้านะสี่ห้ามันน้อยไปมันมีอยู่ประมาณ14ข้อนะก็คือเรื่องของการาทำปฏิบัติได้ถูกต้องนะก็คือสีข้อ1นข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่ลงข้อ5้านะ แล้วก็รวมถึงการลดละห่างกายจากอคติสี่แล้วก็อบายามุกด้วยอบายามุกหกนะก็เป็นสิบสี่จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วเราไปนึกว่าวินัยมีแต่กับของพระเท่านั้นอันนี้วินัยกับธรร ม, มะเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าวิไนนี่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 ดูจากภายนอกเหมือนกับการรถฝ่าไฟแดงนะการรถไฟแดงนี่เหตุผลจะมีอะไรก็แล้วแต่มันฝ่าไฟแดงก็ผิดทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าอาจจะกำลังพาคนท้องไปโรงพยาบาลแต่ฝ่าไฟแดงก็ผิดเลยนะพิสูจนชั้นอาหารดังสู้ส้ดังจับๆหรือว่ามือเปื่นจับภาชนะน้ำนะเหตุผลจะมียังไงก็ผิดแหละ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 ถึงจะครบถ้วนบางคนไม่เข้าใจนะเวลาจะไปเข้าใจว่าจะต้องทําบุญเยอะๆถึงจะได้บุญหรือว่าต้องเป็นคนถวายอาหารเองต้องเป็นคนถวายถวายผ้าเองถึงจะได้บุญนะเคยมีคนมาถามนะว่าตัวเองนี่ไปจัดทอดกระถินนะแต่ว่าเวลาถวายผ้าเนี่ยเนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงก็ต้องให้สามีเป็นคนถวาย แล้วก็ถามว่าตัวเองจะได้บุญไหมจริงๆอย่าว่าแต่คนที่ไปเป็นเจ้ากิ้เจ้าการเป็นหัวหน้าจัดทอดกระถิตนเลยแม้เป็นแค่คนภายนอกแล้วก็เห็นแล้วก็นุมโมทนาด้วยแค่นุมโมทนา น, นี้ก็ได้บุญแล้วนะถึงแม้ไม่ได้จะาไม่ได้ถวายเงินซักบาทไม่ได้มี่สนรุ่นในการจัดหรือไม่ได้เป็นผู้ถวายประเคนด้วยตัวเอง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 อย่างเช่นเพื่อนของนางวิสาขานางวิสาขานี่รวยมากถวายประสาทราคาหลายเรียกว่าหลายแสนโกดเลยล่ะแต่ว่าเธอนางคนนี้นี่ไม่มีเงินนะหรือเงินไม่ถึงก็ได้แต่นุโมทนาที่นางวิสาขาได้ถวายทานถวายวิหารทานพอตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ที่มีรัศมีเ จ, จริญรัส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 เช่นเงินทองโชคลาภความสําเร็จชื่อเสียงอันนี้จะจะได้บุญน้อยนะผู้เจ้าก็สอนไว้แล้วว่าฐานที่เหมานิสงน้อยคือฐานที่ให้ด้วยใจที่มีใจใหญ่ให้ด้วยจิตที่ผูกพันให้ด้วยหวังสั่งสมบุญหรือหวังเสวยสุขในภพหน้าพวกนี้นี่เรียกว่ามีเจตนาที่เจือไปด้วยตัณหาหรือกิเลสทั้งนั้น ก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยถึงแม้ว่าของที่ถวายจะเยอะจะมากนะหรือว่าเป็นเจ้ากิจเจ้าการแต่ว่าบุญอาจจะน้อยกว่าคนที่ให้ด้วยเจตนาที่มุ่งประโยชน์ของผู้รับจริงๆหรือมุง่งลดละขัดเกากิเลส ข, ของที่ถวายจะน้อยนะแต่ว่าได้บุญเยอะสศียก็เหมือนกันนะศียเนี่ยนะ การกระทำภายัยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําภายนอกเช่นเดียวกับทนแต่ว่ า, าสิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้คือเจตนาด้วยอางคนที่รักษาศีลด้วแต่ว่ า, อ, าอย่าให้คนสรรเสริญให้คนชื่นชมว่าเป็นคนมีศีลไม่ว่าจะเป็นศีลหน้าศีล8นะหรือว่ารักษาศีลเคร่งครัดในศีลเพื่อจะได้ไป มีโชคมีลาภในวันข้างหน้าหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันก็ดีเหนะแต่ว่ายังไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์อาการการรักษาศีลชนิดพร้พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศีลพระตปรามาตย์อย่างหนึ่งศีลพรตปรามาตย์นะที่มักจะแปลว่าลูกครัมศีลที่จริงมันหมายถึงว่าการถือศีลที่มันเจอโดยกิเลสเจอด้วยตัณหามานะทิฏฐิ ป a r a m แปลว่าแปดเปื้อนนะคือมันไม่ใช่สะอาดขาวรอบบริสุทธิ์แต่ว่ามันแปดเปื้อนได้กินเลยการรษาศีอย่างนี้เนี่ยก็ดีนะดีกว่าไปผิดศีลแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ดีที่สุดนะยังเป็นศิลปะตะป arama าานะยังไม่ใช่เป็นอริยการตัีเสือศีนี่พระเยจ้าสารเสร์นนะหรือว่าพอมีศีลแล้ว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 อย่าไปอย่าไปเน้นที่อย่าไปดูที่ภายนอกถ้าไปดูที่ภายนอกมันเป็ น, ปนศิลรตาปรมาสอย่างเช่นเดนม้ก็มีความเชื่อว่าไปต้องไปถ้าไปทำบุญ9วัดไปสังเวชีนสถานที่ประเทศอินเดียถึงจะปิดอบายปิดอบายคือว่าตายไปแล้วไม่ตนกนรกไม่ไปเกิดในภูมิที่ต่ำกมนุษย์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 ไปโกงเงินเขานะไม่ว่าจะไปกี่ครั้งแต่ถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ยังพึงพฤติกรรมแบบนี้กิเลสหนานะตันหาเยอะแบบนี้ยังไงก็ประตูอบายก็อาจจะเปิดนะเปิดรับทันทีที่ตายไปเลยก็ได้นะปิดอบายนี่มันมีแต่พระอริยะเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแหละที่จะเรียกว่าปิดอบายปุถุชน แต่ที่มีกิเลสอยู่ไม่ว่าจะไปทําบุญร้อยแดวัดหรือว่าไปสังเวชยสถานปีละห้าครั้งหกครั้งก็ยังนะก็ยังนีไม่พ้นอบายยังเสี่ยงต่ออบายอยู่เพราะกิเลสยังมีเนียจะไปดูที่ภายนอกต้องดูที่ภายในใจกิเลสลดลงไหมปัญญาเกิดขึ้นไหมนะตัญหามานาททิถลดลงไปหรือเปล่าธรรมะดีดูตรงนี้นะ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 ความดําำริเหล่านั้นบุคคลผู้นั้นย่อมถือว่าได้ทําความเพียรเผากิเลสนะได้ทําความเพียรเผากิเลสแล้วแม้ว่ากําลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามนะการปฏิบัติธรรมหรือภาวนานในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งสําคัญอยู่ที่การวางใจนะวางใจให้เป็นวางใจถูกไหมนะไม่ว่าจะทําแล้วก็ตามถ้าวางใจถูก มันก็เป็นภาวนาได้สมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนะก็ใหม่ๆนะท่านยังหนุ่มอยู่ประมาณรักส0พรรษาท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากแล้วก็ช่วงนั้นท่านก็ไปปฏิบัติกับหลว ง, ลวงปู่กินนรีนะซึ่งเป็นศิษย์ลูกแรกๆของหลวงปู่มัน่น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 มากมายทั้งวันทัคือแบบนี้ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วหลวงปู่กินเริจะรู้อะไรเพราะท่านไม่ได้เดินมากมายอย่างนี้เลยแต่ตอนหลังพอได้ฟังทำอย่ากท่านมากเข้ามากเข้าก็รู้ว่าหลวงปู่กินเรินี่ท่านมีธรรมะที่ลึกซึ้งมากแต่ว่าท่านก็ยังไม่ยังไม่ยังไ ม, งไม่ก็ยังมีความคิดว่าภาวนานี่มันต้องมันต้องเดินนะมันต้องนั่งในรูปแบบ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 บังเ อ, อิญหลวงปู่กินรีเดินผ่านมาเห็นท่าทางเร่งรีบของหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าท่านชาท่านท่านรีบไปเย็บจีวอนไปทําอะไรหลวงพ่อชาบอกว่าจะรีบเย็บจีวอนไปเพื่อไปภาวนาหลวงพ่อหลวงปู่กินรีก็เลยท้วงว่านี่ยเย็บจีวอนเนีก็ภาวนาได้นะก็ดูจิตดูใจของตัวไง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 มันเกิดขึ้นกับตัวเองยังมองไม่เห็นเนี่ยนี่หลวงปู่กินนรีท่านก็พูดทักเอาไว้ก็เป็นบทเรียนสําคัญมากอของหลวงพ่อชาที่ทําให้ทห่านได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วการภาวนาเ น, นี่ยมันทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะปะเย็บจีวรนะหรือว่าเดินหรือว่าทํางานอย่างที่หลวงปู่กินนรีท่านทํา นะอันนั้นทัานก็ภาวานาแต่ว่าเนื่องจากความไม่เข้าใจของหลวงพ่อชาท่านก็เลยนึกว่าเนี่ยมันภาวานามันต้องมานั่งหรือว่าต้องเดินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการมองว่าภาวานาเป็นเรื่องรูปแบบนะแต่จริงภาวานาอยู่ที่ใจเนะราวางใจอย่างไรวางใจเป็นไหมนะไม่ว่าเราจะทำอิริยาบถใดก็เป็นภาวานาได้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 ไม่ชอบความฟุ้งซ่านพยายามไปกดข่มความคิดพอพอมีพอวางใจแบบนี้เนี่ยการภาวนากลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะว่า create. เครียดเครียดเพราะอะไรเพราะว่าไปกดข่มความคิดนยพยายามไปควบคุมบังคับจิ ต, ตการทําเช่นนี้เนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยต่อต้านขึ้นมายิ่งยิ่งกดขม่มมันยิ่งต้านมันยิ่งสู้ ยิ่งไม่อยากให้มันคิดมันยิ่งคิดนะเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็ยิ่งอยู่นะแล้วก็จริงจริ ง, รงลำพังแค่ลำแ พ, พังแค่ความรู้สึกไม่ชอบความฟุ้งซ่านแค่นี้ก็ทุกแล้วนะแทนที่จะเห็นมันเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะแทนที่จะเห็นมันแล้วก็ไปไปเล่นงานมันไปกดขมมัน ไปผลักใสมันเจอความอยากเจอความคิดเกิดขึ้นก็ไปตะปบไปกดขม่มไปห้ามบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามทำอย่างนั้นมันก็เครียดสินะเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเหมือนกับจะไปบังคับมา้าไม่ให้พิยดเนี่ยม้าป่ามันพึ่ง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 กนะ็ไม่เฉลียวใจนะไม่เฉลียวใจว่าการทำแบบนี้นี่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแต่บางคนทำอาจจะทำไม่มากนะแต่ว่าเขามีเขาวางจิตไว้ถูกรู้สึกตัวนะเวลาทำอะไรเยันขยับกายก็รูนะ้เวลาคิด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 ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณชั่วโมงที่ที่ทำนะหลวงพ่ อ, ขอเขียมนมาดีท่านก็ใช้คำว่าทำ free ํำฟรีๆนะสร้างจังหวะฟรีๆคือไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยไม่ได้เลยเลยนะี่ที่คือไม่ได้สติเท่าไหร่อันนี้พ่อไปติดที่รูปแบบนะอย่าไปติดที่รูปแบบนะคนที่เขาไม่ยกมือเข า, าจะกาลังปฏิบัติอยู่ก็ได้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 การปฏิบัติของเรามันจะกลายเป็นความหลงความงมงายหรือเป็นศิลภัตะประมาตแบบหนึ่งนะทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยปัญญาความเข้าใจสิ่งที่เราทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลหรือภาวนานี่มันก็เป็นบุญนะเป็นบุญคาว่าบุญเนี่ยภาษาบาลีว่าปุญญะปุญญังท่านเจ้าคุณธรรมบิดกท่าน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 ก็ทําให้บุญนั้นเป็นบุญที่มีอา น, นิสงส์มากนะแล้วก็เป็นบุญที่นําไปสู่การเพิ่มพูนปัญญามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะใช้ปัญญาในการปฏิบัติด้วยนะโดยพอกการทำํำควาเข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติทําให้ถูกต้องเอาละคำนี้ก็พอสมควรแก่เวลากรับพั